ชำนาญรบอุทิตให้คุณแม่เกสอนชำนาญรบอีเป็นพ่อแม่อุทิตสวนกุศลให้ขณะที่เมื่อพระสงฆ์ให้พรแล้วก็อุทิตสวนกุศลให้สองตายายนะพ่อพ่อสุจิตเนี่เป็นมหานมหาจักะประโยชน์ก็นะเจ้าพ่อทุกชัยยังบอกเก่งเลยไหม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 วิสัยที่จะต้องมนุษย์ทำได้แหละถ้าอยู่ในอิทธิบาทสี่นี่แล้วอางานชิ้นนั้นจะสําเร็จแล้วก็อปริหารนิยธรรมทาเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวไม่เป็นเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวอปริห า, านิยธรรมนํามันไปชุมกันเนืองนิด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 มันโง่ขนาดนั้นเียวเฉลอะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในเมื่อประชุมเสร็จแล้วทําไมอทําไมจะมาซุบซบชิบชิบมาออกวงการแล้วจะมาหานินทากันอีกนั่นนี่มันมีนะเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเรามีไม่ใช่แต่มีก็แต่ขรวาดพระก่อนมีในที่ประชุมไม่พูดพอพูด อ, ออกที่ประชุมแนละ้วออกไปนินทาแต่นินทาอย่างงี้ยออกมาหาหลักการเออการประชุมในคราวนี้ มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยเราไปชุมเราควรจะควรจะพูดในเรื่องนี้มันขาดตกบกพร่องอยูนะ่คือหาจุดบกพร่องมันอีกแนวหนึ่งนะไม่ใช่มันหาแนวจุดบกพร่องเนี่ยมันนินทากันนะแต่แทงหลังกันนะคล้ายว่าจะหาพักหาพวกขึ้นมาแล้วกัเ อ, อเพื่อจะออทำร้ายทาลายกันนะอันนั้นแหละเป็นว่ากิเลส ความชั่วเสียหายอย่างมากๆากอารยริหานด้จะทำคำํานี้มันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกและพร้อมเพียงกันทํากิจที่สงจะพึ่งทำํำแล้วก็ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สมาทานตามสมาทานตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้พิกจุใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสง์ในขณะนั้น เคารพนับถือถ้อยคำของท่านไม่ลุกอำนาจแก่ความความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในความสงบนะใครๆมายินดีในความวุ่นวายแตกสมัมมาคีกันหาเรื่องหาราวใส่กันยินดีในความสงบเพลกสูใดที่มาสู่อาวาสแล้วที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วกลับไปขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุข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 มันจะออกนอกรูกนอกทางนะกิเลสนะกิเลสความโลภตัวนี้เข้ามาแนละ้วผลในสุดจะใช้ความโกรธเพราะความหลงในจิตใจแล้วมันไปได้ทั้งหมดนะกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงในจิตใจแล้วมันมืดบนมันมืดมนอ น, น, นตะการไปหมดนะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่จักที่สูงที่ต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเพราะกิเลสมันเข้า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 ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยละ่ะถึงจะไปด้วยกันสองคนก็เถอะแปลว่าไม่ไม่ไว้ใจกันละนะ่ะเพราะอะไรเพราะไม่มีศินถ้ามีสินด้วยกันแล้วนะ่เออถึงยังไงยังไงก็ยุครบในการซึ่งการละกันเพราะต่างคนต่างมีสินอย่างไงพวกเราเขคงไม่คิดฆ่ากันนะอย่างไงก็คงจะไม่คิดขโมยกัน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 มันมองอีกมุมหนึ่งมันมองมุมแบบกิเลสกิเลสก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแหลมคมเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะเตัวใจตรงนั้นนะมันเพ่งมองออกไปออกไปทางกิเลสมันไม่ได้เอาทางธรรมถ้าทำเอาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านํามาพิจารณาแล้วเอาไปคิดอันนั้นอันนั้นมาเป็นธรรมร่มเย็ยนเป็นสุกท่วนหน้ากัน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 แล้วมาอย่างนี้แล้วยังจะไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่เหรอยะไปหาท่านไปหา้าหาพระพุทธเจ้าอยู่เหรอไม่พาไปโอ้ยพาไปด้วยเถินพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมเออท่านารักพระลาหุนอย่างไรท่านคนรักคนทุกในโลกเหมือนกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าเออเหมือนกับ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 อนาคตจะเป็นยังไงแต่นี้เนี่ยพระเทวเทัตเห็นโทษนะพระพุทธเจ้าเทวทัตเห็นโทษต่อไปเนี่ยเมื่อเขาใช้ตกนรกเอาเวทีมหานรกผ่านมาแล้วต่อไปเขาจะได้เกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติลอแต่ชาติสุดท้ายเขาจะได้เกิดเป็นพระประัะเิเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง mm. ในอนาคตได้รับพยากรเหมือนกันนะก็ยังดีกว่าพวกเรา呐นะ